กราบบูชาปรตนัไตรกราบคารวะครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่เทียนหลวงพ่อกำเขียนและก็หลวงพ่อกลมรวมทั้งอาจา ร, รย์ทรงศินและก็ขอน <c oughs> ามส ก, การพระเทลานุเถระ เพื่อนสารธรรมิกณที่นี้ขอเจริญพรแม่ชีและก็ญาติโยมที่มาร่วมกันใช้ชีวิตในช่วงนี้ก็นั่งตามสบาย <c oughs> การมาป่าสกโตเนี่ย <c oughs> สิ่งที่อยากจะชวนพวกเราขุดค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดกับการมาอยู่ป่าสกุโต <c oughs> ก็คื อ, <c oughs> ก, คอก็คือการที่เราได้มารู้จักตัวเราเองที่ป่าสกโตเนี่ย เป็นสถานที่ที่ตัวกระผมเรื้อตมาเองได้มาเมื่อประมาณเกือบ30ปีที่แล้วเป็นสถานที่ที่สงบร่มรื่นให้เราได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้ความจริงในตัวเราและความรู้นี้ เป็นสิ่งที่มีอยู่กับตัวเราอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เห็นมันจริงๆนเนื่องจากว่าชีวิตที่เราอยู่ในโลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมุ่งมองไปที่เรื่องนอกตัวจะเป็นเรื่องครอบครัวเพื่อนญาสนิทมิสหาย เรื่องการท ร, รมากินนะเรื่องของสังคมเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเมือง <c oughs> สิ่งต่างๆ่างเหล่านี้นะก็เป็นสิ่งที่เรานำมาช่วยแก้ปัญหาทางกายได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราต้องใช้ชีวิตในสังคมที่สับสนวุ่นวายนะในบางครั้งบางเวลาบางโอกาสหรือบ่อยๆนะเราก็พบกับความรู้สึกที่ไม่สบายกายไม่สบายใจอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดบ้างอาจจะรู้สึกหนักอกหนักใจบ้างหรือบางคนอาจจะรู้สึกเบื่อเซ็ง กับงานที่ทำชีวิตที่เป็นอยู่รวมตลอดจนถึงบางทีเราอยู่กับคนมากๆ ก, ก็จริงแต่บางทีเราก็เหงามันก็น่าแปลกนะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมาเคาะประตูที่ตัวเราบอกให้รู้ว่าในตัวเราเนี้ยนะมันยังมี อีกสิ่งหนึง่งที่เรายังไม่ได้ใส่ใจกับมันเรายังไม่ได้ดูแลเขาอย่างดีหรือเรายังไม่รู้จักเขาอย่างดีนะสิ่งสิ่งนั้นก็คือจิตใจของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยมีทั้งสองส่วนก็คือมีทั้งกายและก็มีทั้งใจชีวิตส่วนใหญ่ในสังคมเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของกาย มากกว่าเรื่องของจิตใจเหที่เราให้ความสำคัญเพราะว่ามันเห็นชัดเจนมันเป็นเรื่องที่เราสัมผัสได้แต่เรื่องของจิตใจเนี่ยมันเป็นนามธรรมมันมองไม่เห็นเราก็เลยบางทีก็ล้านเลยไปนะไม่ได้สนใจยิ่งถ้าพูดถึงวิทยาศาสตร์ทางวัตถุในโลกปัจจุบัน เขาบอกสิ่งที่ไม่มีตัวตนเนี่ยถือว่าไม่มีนะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้การศึกษาของ <c oughs> คนในโลกปัจจุบันนี้ก็เลยละเลยเรื่องพวกนี้นะสิ่งที่ไม่มีตัวตนสิ่งที่วัดไม่ได้สิ่งที่มองไม่เห็นเขาถือว่าไม่มีนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราก็เลยไม่ได้สนใจทั้งทั้งที่สิ่งที่ไม่มีเนี่ยสิ่งที่ไม่มีตัวตนเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะ มันก่อทุกข์ก่อโทษให้เรามากกว่าไอ้ทางร่างกายนะที่สังคมปัจจุบันนี้เกิดความสับสนวุ่นวายความหวาดกลัวในภัยพิบัติต่างๆนะมีใครพูดอะไรนิดๆหน่อยๆว่าเดี๋ยวอีกเดือนหน้าจะต้องเกิดเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ปีนี้2012โลกาชวินาาเราก็ตื่นเต้นกันเราก็กลัวกัน นี่ก็นี่ก็เป็นสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นว่าภัยที่เกิดขึ้นที่มากระทบกับจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สาคัญเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญนะ่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะแก้ไขยังไงเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับจิตใจของเราบางคนหรือส่วนใหญนะ่ก็ใช้วิธีการก็ไปเที่ยวไปกินไปเล่นดูหนังฟังเพลง พอกบเกลื่อนกันไปหรือว่ายุคสมัยใหม่นี่ก็โทรศัพท์บ้างเล่น Facebook บ้างนะเพื่อหาเพื่อนคุยบ้างนะเพื่อจะให้ลืมลืมความทุกข์ลืมความหนักอกหนักใจนี้ไปสิ่งเหล่านี้มันก็ช่วยได้เป็นบางครั้งบางขณะถ้าเรามาอยู่คนเดียวเดี๋ยวเราก็อดที่จะคิดไม่ได้อีกนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ คิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยได้เผชิญกับมันมาไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่คนหนุ่มคนสาวคนเท่าแก่นะคนที่อยู่ในสังคมก็ดีหรือแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็ดีก็มีเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยมีกับความทุกเหล่านี้มีปัญหาเหล่านี้มันมาเคาะประตูใจเราอยู่เสมอ บอกว่าสิ่งนี้ยังมีอยู่นะถ้าเราไม่สนใจเนี่ยจะเป็นปัญหานะซึ่งความทุกข์ความหนักอกหนักใจเหล่านี้เนี่ยเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วเนี่ยเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนะก็ะเผชิญกับเรื่องนี้แล้วท่านก็ไม่ยอมแพ้นะท่านก็ไปค้นหาว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่จะเรียนรู้ เรื่องของกายเรื่องของใจแล้วสามารถที่จะอยู่เหนือความทุกข์เหล่านี้ไดน้นี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 2,600 ปีที่แล้วแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะค้นพบได้นามาจนถึงปัจจุบันได้มีการสืบทอดเรื่องเหล่านี้ผ่านตัวหนังสือบ้างผ่านคำบอกเล่าบ้างผ่านการปฏิบัติของครูบาอาจารย์ ตั้งแต่เมื่อสองพันปีที่แล้วจนมาถึงยุคปัจจุบันในรูปแบบต่างๆสำหรับในประเทศไทยเหล่านั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยพอเราพูดถึงปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะนึกภาพของคนนั่งสมาธินั่งหลับตานิ่งๆหน้าอิ่มๆยิ้มน้อยๆหลับตาพริ้มตาไม่ต้องคิดอะไรนั่งสบายๆ บางทีโปสเตอร์บางที่บางแห่งนี่เขาให้นั่งใต้ลมไม้มีสายน้าไหลยเย็นผ่านนั่งตาพริมยิ้มน้อยน้อยนี่ก็คือภาพที่เรามองเห็นว่านี่แหละคือสมาธินี่แหละคือสิ่งที่เป็นความสงบนี่แหละคือสิ่งที่เป็นการแก้ปัญหาทางใจจิงอยู่อันนั้นเป็นเป็นความสงบเป็นความสุข อย่างหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นความสุขที่มันไม่รู้อะไรนะเขาเรียกว่าสงบแบบไม่รู้ที่ว่าไม่รู้อะไรหมายถึงยังไงก็คือการที่เราพยายามที่จะกดหรือว่ากดทับความคิดที่มันเกิดขึ้นให้มันอยู่สงบนิ่งๆอย่ามาฟุ้งซ่านนะแล้วบางคนนั่งทำดีๆก็จะได้พบกับปิติสุข อิ่มอกอิ่มใจนะซึ่งตัวกรผมเรี้อธรรมาเองก็ได้เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้นาจากการฝึกอานาปนสตินะกก็ก็เป็นสุขเป็นสุขในขณะที่เรานั่งหลับตานะกำหนดลมหายใจไม่คิดอะไรสบายดนะีนั้นก็เป็นความสุขอันหนึ่งซึ่งเมื่อเราลืมตาขึ้นมามาใช้ชีวิตในโลกเรายังต้อง สัมผัสกับโลกตาเห็นหูได้ยินจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสบางอันก็ถูกใจเราก็ชอบบางอันไม่ถูกใจเราก็ไม่ชอบเกิดความรักความชังเกิดความชอบความไม่ชอบนี่คือสิ่งที่เราประสบพบเห็นเพราะฉะนั้นความสงบที่เกิดจากการนั่งสงบนิ่งเนี่ย มันเป็นประโยชน์เล็กน้อยเท่านั้นเองอาจจะได้พักผ่อนจิตใจในขณะที่เรานั่งแต่เมื่อเรามาใช้ชีวิตประจำวันจริงๆแล้วมันเอาไปใช้ไม่ได้มันยังไม่สามารถที่จะทำยังไงให้มันสงบได้แม้แต่เราลืมตานะซึ่งสิ่งเหล่านี้เจ้าชายชิตตะก็ได้เคยทำมาโดยการไปเรียนจากอาจารย์ทั้งสองท่านก็คืออ า, าลาราดาบทและอุทกาดาบท ก็คือการทําให้เรามีความสุขสงบในขณะที่เราหลับนั่งหลับตานิ่งๆซึ่งถ้าเราศึกษาพุทธประวัติก็จะทราบว่าท่านก็ยังไม่พอใจในความสุขที่ได้จากการนั่งสงบนิ่งๆแล้วไม่รู้อะไรในขณะนั้นคือไม่มีความคิดอะไรปล่อยว่างท่านเลยต้องไปคน้คนคว้าเองไปค้นคว้าในแล้วก็ได้ค้นพบเมื่อวันวิสาขาบูชา เมื่อประมาณ 2,600 ปีที่แล้วพบว่าความทุกข์ความหนักอกหนักใจเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในตัวเราหน่แหละตัวการสําคัญที่ทําให้เราหนักอกหนักใจก็คือการที่เราไม่รู้ไม่รู้ทันความคิดที่เป็นนักสร้างอาจจะเรียกว่านักคิดความคิดเนี่ยเป็นสถาปนิกก็ได้นะเป็นนักคิดเป็นนักสร้างสร้างความสุขสร้างความทุกข์ขึ้นมาภายในตัวเรา นะแล้วเราก็ไม่รู้ทันเราก็ชอบถ้าไหนเป็นความสุขเราก็ชอบดึงเข้ามาถ้าไหนเราไม่ชอบเป็นความทุกข์เราก็ผลักออกไปมันก็มีการดึงเข้ามามีการผลักออกไปนะเหมือนเหมือนไฟฟ้าที่มีบวกมีลบซึ่งสิ่งเหล่านี้เจ้าชาศเสด็ก็ได้พบเรื่องนี้แต่ขั้นไปพบอีกการหนึ่งว่าไม่บวกไม่ลบไม่ผลักแล้วก็ไม่ดึงอยู่กลางๆง ว่างๆเป็นปกตินี่คือสภาพปกติที่มีอยู่ในจิตใจของคนเราเอาง่ายๆขณะที่เรานั่งอยู่นั่งฟังกันณเวลานี้เนี่ยลองสังเกตดูสิว่าจิตใจเราเป็นยังไงเรารู้สึกยังไง ร, รู้สึกเฉยๆใช่ั้ยจิตใจเป็นปกติใช่ไหมไม่ทุกข์ใช่ไหมไม่สุขใช่ไหมมันอยู่ธรรมดาธรรมดาใช่ไหม นี่แหละคือสภาพกลางๆเป็นสภาพจิตปกติที่เจ้าชายสิทธะได้ค้นพบแต่ทำไมล่ะสภาพอย่างนี้มันไม่อยู่กับเราตลอดที่ไม่อยู่ตลอดเพราะเราไม่รู้ทันเราไปหลงกับในความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นมันปรุงแต่งให้เราไปสวรรค์บ้างตกนรกบ้างสวรรค์ก็คือเรามีความสุขตกนรกก็คือเรามีความทุกข์วันนี้หลายคน อาจจะขึ้นสวรรค์บ้างตกนรกบ้างใช่ไหมขณะที่เรานั่งสร้างจาังหวะเนี่ยหรือเดินจงกรมเนี่ยโอ้ยมันทำไมมันทําไมทุกข์ยากขนาดนี้เนาะนบางคนง่วงหลับง่วงนอนอตกนรกไปแล้วแต่บางคนเดินยโยงกรมนะโอ้สบายโล่งโปรเอ้าขึ้นสวรรค์ไปแล้วเพราะฉะนั้นนรกสวรรค์นี่ไม่ได้ไกลกันเลยนะอยู่ใกล้ๆกันเนะ่ะพิกนิดเดียวเท่านั้นเองแต่บางคนก็ใจ จปกติปกติน่ะสบายสบายเนี่ยคือสภาพกลางจิตปกติเพราะนั้นจิตปกติเนี่ยเป็นที่พักที่แท้จริงเป็นบ้านที่แท้จริงของคนเราเป็นที่พักจิตพักใจของคนเราและการพักใจตรงนี้เรามีสติสัมปชัญญะรู้ด้วยไม่ใช่สงบแบบที่เราไปนั่งหลับตาที่เราเห็นกันที่เราเข้าใจกันโดยทั่วไป ที่เราบอกว่าต้องนั่งหลับตาแล้วไม่คิดอะไรเลยนะอันนั้นอนะ่ะมันเป็นความสงบแบบไม่รู้นะเป็นสงบแบบลืมสีแต่ถ้าทําอย่างนี้เนี่ยความที่จิตปกติเนี่ยมันเป็นสงบแบบรู้นะมีสติมีปัญญาแล้วสามารถจะสัมผัสได้เห็นได้แม้ว่าเราจะลืมตาแล้วความเป็นปกตินี้เนี่ยมีอยู่ทุกคน เป็นพื้นฐานของทุกๆคนแต่ความกตินี้มันจะเปลี่ยนไปหรือมันจะโดนปิดบังไปด้วยอารมณ์ต่างๆด้วยความคิดต่างๆที่เรารู้ไม่ทันเนื่องจากความคิดอารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนแล้วก็มีความเร็วเร็วมากรวดเร็วมากเจ้าชายสิท ธ, ธัก็ได้ค้นพบว่าเมื่อมันมีคิดมันก็มีตัวที่แก้กันก็คือตัวสติหรือความรู้สึกตัวนี้เอง เป็นสิ่งที่เร็วเร็วกว่าความคิดอีกท่านได้ค้นพบตรงนี้แล้วเอาสตินี่แหละมาเป็นตัวที่จะให้รู้เท่าทันความคิดความคิดก็ไม่สามารถที่จะปรุงแต่งไม่สามารถที่จะสร้างอะไรขึ้นมาต่อไปได้สติมันก็จะเด่นขึ้นมาความรู้สึกตัวก็จะเด่นขึ้นมาถามว่าความรู้สึกตัวหรือสตินั้นเรามีอยู่ไหมมีอยู่ทุกคนแต่ที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกตัว พื้นฐานแบบสามัญแบบทั่วๆไปมันใช้ทำการทำงานได้มันใช้ทำนู่นทำนี้ได้แต่มันไม่ทันหรือมันไม่เร็วกับอารมณ์และความคิดเรารู้นะความโกรธไม่ดีเราไม่อยากให้มันโกรธแต่มันอดไม่ได้อะมันวูบขึ้นมาแล้วเราเราก็ทาไปแล้วเรามารู้สึกตัวออกทีบางทีก็โอ้มันทำไปแล้วทำไปตามอารมณ์โกรธแล้ว เพราะฉะนั้นเราจึงต้องหาสิ่งที่มันทันกับสิ่งเหล่านี้ทันกับอารมณ์ทันกับความคิดสิ่งที่ทันก็คือความรู้สึกตัวนี้เองเพราะฉะนั้นเราจะพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันมีความฉับไวขึ้นเพราะฉะนั้นที่เรามาทํานี้เราไม่ได้ทําให้สติมากขึ้นนะไอสติตัวเดิมนี่แหละแต่มันมีความว่องไวขึ้นรวดเร็วขึ้นสามารถที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดที่เกิดขึ้น ที่เราเคยชินทีนี้การจะทำอย่างนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ก็ได้แนะนำกันมาหลายแบบหลายวิธีนะนั่งหลับตาบ้างบริกรรมบ้างอาณาปนาสติบ้างซึ่งทุกวิธีเนี่ยใช้ได้หมดแล้วก็ถ้าทำถูกวิธีเนี่ยมันเกิดผลเหมือนกันไปสู่จุดหมายอันเดียวกันก็คือการที่เราเข้าไปสัมผัสกับความเป็นปกติของใจ เราไปอ่านหนังสือของครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยที่ท่านปฏิบัติตรงแล้วเนี่ยท่านก็จะพูดเรื่องนี้เหมือนกันแต่สําหรับตัวผมด้วยตามาเองนะก็ได้เรียนรู้นะจากหลวงพ่อเทียนแล้วก็หลวงพ่อคําเขียนนะด้วยวิธีการเจริญสติแบบที่เราพวกเราได้ปฏิบัตินี่แหละได้สัมผัสแล้วเห็นว่าได้ทดลองปฏิบัติแล้วเห็นว่าวิธีการเนี้ย เป็นวิธีการที่เหมาะมากสำหรับคนในยุคสังคมอุตสาหกรรมหรือท่านอาจารย์ธงสินชอบใช้คนว่าสังคมจีโนมิก n a นาโนเทคที่มันรวดเร็วที่มันจะต้องไม่ต้องมานั่งหลับตาสมัยก่อนเราเป็นสังคมเกษตรกรรมเรามีเวลามากเรามีเวลาว่างพอที่จะมานั่งหลับตาแล้วก็ทำสมาธิกันแต่นวันนี้เรามีเวลาอย่างนั้นน้อยมาก เราต้องเคลื่อนไหวในการงานในการทํานู่นทนํานี่ในการติดต่อกับโลกในการติดต่อกับคนเพราะฉะนั้นวิธีการนี้เนี่ยหลวงป่อเทียนได้ค้นพบเนี่ยเมื่อประมาณเกือบ50ปีที่แล้วนะตั้งแต่ท่านอายุประมาณ46ปีที่แล้วครบรอบร0อปีก็ประมาณ54ปีก็กึ่งศตวรรษได้ที่ท่านได้ค้นพบ วิธีการที่ท่านค้นพบเนี่ยก็เป็นวิธีการเดียวกันกันกบที่เจ้าจ่ายสิท ธ, ธัได้พูดเอาไว้ในพระไตรปิฎกเหมือนกันนะก็คือสัมพยัญชะบัพเพะนะก็คือการรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวนี้เองเพียงแต่ว่าท่านมาคิดรูปแบบให้มันเป็นจังหวะให้มันครบถ้วนสมบูรณ์นะอย่าง14จังหวะเนี่ยนะหรือการเดินจงกรมเนี่ยไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องใช้คําบริกรรมอะไรนะ แล้ววิธีการนี้เนี่ยมันง่ายสําหรับการเริ่มต้นเลยนะก็คือเราใช้สิ่งที่มันเป็นรูปธรรมเพื่อเข้าไปรู้จักสิ่งที่เป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นรูปธรรมคืออะไรก็คือกายของเราเนี่ยการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยการยกไม้ยกมือเนี่ยนะทีนี้การยกม้ายกมือเนี่ ย, นะา ย, า ย, ยบางคนจะสงสัยทําไมต้องทำซ้ำซ้ำซักซักซ้ำซ้ำัก ซ, ซ, ซ, ซ, ซ, ซ, ซน่าเบื่อนหน่ายเหลือเกินคิดดูเถอะ ไอ้ความรู้สึกตัวที่เรามีเนี่ยตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีแต่ความรู้สึกตัวสามมันที่เราใช้กันแต่ความรู้สึกตัวที่จะมันทันความคิดเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ฝึกกันเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาทําสิ่งเหล่านี้ซ้ำบ่อยๆนะเพื่อให้สัมผัสกับความรู้สึกตัวที่ชัดเจนแล้วก็จับไวคนบางคนเข้าใจว่าโดยเฉพาะคนที่ฝึก ฝึกมาก่อนหรือว่าเป็นคนเก่าเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะจับได้ว่าความรู้สึกตัวเป็นยังไงความรู้สึกตัวเนี่ยมันมันพูดพูดง่ายนะแต่ไอ้สภาวะที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยมันมันบางทีมันก็ไม่เข้าใจครูบาอาจารย์พูดยังไงก็ไม่เข้าใจตัวผมเรียต่มาเองแต่ก่อนฟังหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อขมเขียนก็ไม่เข้าใจแต่เมื่อเราลงมือปฏิบัติไปเนี่ยนะเราก็เข้าใจเกิดขึ้นมา นะความรู้สึกตัวทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปสัมผัสกับไความรู้สึกตัวเนี่ยนะไอ้ความเคยชินเก่าๆของเราเนี่ยไอ้ความรู้สึกเก่าๆที่มันเคยมีเนี่ยมันก็จะเข้ามันก็จะแสดงตัวของมันออกมาให้เราได้เห็นนะโดยเฉพาะที่ความรู้สึกที่ที่หยาบหรือพื้นฐานที่สุดก็คือความง่วงนะมันจะมาเลยมันแสดงตัวให้ดูเลยมันมาโชว์ให้ดูเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะบอก เราไม่อยากให้มันมาเนะ่ยเราง่วงนะเราคิดว่าไอเ น, นี้ยไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องการแต่อันนี้เราคือธรรมะที่มันมาแสดงตัวให้ดูการศึกษาธรรมะหรือการเรียนรู้ธรรมะเรียนรู้จากสิ่งเหล่าเนี้นะความง่วงถ้านั่งเนี่ยบางทีง่วงนะถ้าเดินนี่ฟุ้งซ่านแอบจะเป็นอย่างนั้นนะหรือบางคนจะเกิดความรู้สึกแหมมันอึดอัดไม่เคยสะดวกสบาย นะคิดถึงที่บ้านห้องแอร์อย่างดีสบายนั่นก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่มันจะแสดงออกมาความปวดความเมื่อยเนี่ยมันแสดงออกมานะที่เห็นได้ชัดชัดถ้าเป็นความปวดความเมื่อยทางร่างกายเนี่ยเราก็แก้ไขบรนเทาเปลี่ย น, ปยนแปลงอิริยาบถไปนะไม่ต้องไปนั่งทนมันจนแต่บางคนทนก็ดีนะฝึกความอมดทนนะ แต่ถ้าคนไหนทนไม่ไหว่นี้เฉพาะคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยนะถ้าทนไม่ไหวก็เปลี่ยนได้แต่ก่อนจะเปลี่ยนเนี่ยให้มันขอแล้วก่อนอย่าเปลี่ยน ป, ปรับทันทีอันนั้นไปทำไปตามความคิดนะให้มีความรู้สึกตัวแล้วขณาที่เปลี่ยนลองสังเกตดูนะความปวดความเมื่อยเนี่ยมันจะคลายไปเนี่ยเราจะเห็นความเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาของร่างกายเลยโอ้มันเบาไปเลยเนี่ยเราเรียนรู้ของจริงเลยจากร่างกายเนี่ยนะ พอละเปลี่ยนไปมันอยู่ปกติมันก็จะกลับคืนสู่สภาพปกติของมันแต่ก็มีนะบางคนไม่เปลี่ยนก็นั่งอยู่ได้นานร่างกายมันก็จะปรับตัวสมดุลเป็นปกติได้เหมือนกันนะสําหรับคนที่ฝึกมีอินทรีย์แก่กล้าหน่อยนะก็อาจจะไม่เปลี่ยนนั่งอยู่ได้นานๆ น, น, นะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้เพราะนั้นการเรียนรู้เนี่ยเรียนรู้จากปรากฏการณ์หรืออาการต่างๆ ท, ที่มันเกิดขึ้นกับกาย กับใจอย่าไปปฏิเสธแล้วก็อย่าไปยอมรับมันดูมันเดี๋ยวเราจะได้เห็นเลยว่าบางทีเราก็เผลอหลงเข้าไปในอาการสุขรักสุขเกลียดทุกข์ทุกข์เราก็ผลักออกไปความง่วงเราไม่อยากให้มันง่วงพยายามผลักออกมันไม่มันไม่ไปอะ่ะมันมันตื้อเราอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการที่เราจะแก่นะีความง่วงเนี่ยสมมตินั่งสร้างยังหวะเนี่ยช้าๆก็ทําให้มันเร็วขึ้นก็นได้นี่ เขาไม่ได้มีข้อห้ามอะไรจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมหรือบางทีทํามากๆมันง่วงจริงต้องหยุดแล้วก็ตบตบเข่าเล่นอะไรเล่นให้มันดังแรงคือเปลี่ยนอิเดียบทแล้วสังเกตบางทีมันมันสว่างขึ้นมามันสบายๆขึ้นมานั่นแนหะสังเกตความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะได้เรียนรู้อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเพียงแต่มันไม่ได้เป็นภาษาพระเท่านั้นเองเพราะน่าอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเราไม่ต้องไปใส่ชื่อมันให้รู้ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือรู้สึกตัวสมัยเมื่อตัวผมเรียนธรรมะเองได้ไปเรียนกับหลวงพ่อเทียนเนี่ยหลวงพ่อเทียนท่านเห็นว่าเราเนี่ยเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ระดับปริญญาตรีเป็นปัญญาช น, นาท่านก็บอกให้เราดูความคิดเลยปรากฏว่าเมื่อเราไปดูความคิดเนี่ยการที่เราความรู้สึกตัวที่กายเรา ย, ยังไม่ชัดเนี่ยเราก็หลงไปในความคิดได้ง่ายปรุงแต่งได้ง่ายไม่มีฐาน โชคดีมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อคำเขียนลงไปช่วยหลวงพ่อเทียนสอนที่วัด ส, สนามในแล้วก็ได้เล่าให้ท่านฟังเนี่ยว่าเนี่ยเราคิดมากเรามันไม่หยุด ท, ทัทีมันไม่รู้จะทำยังไงหลวงพ่อำเขียนก็เลยบอกว่าอย่าพึ่งไปสนใจกับความคิดอย่าพึ่งไปดูความคิดให้มาทำความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อนมันคิดอะไรก็ช่างมันอย่าไปสนใจมันอย่าไปตามมัน มารู้สึกที่กายเคลื่อนไหวยกมือให้รู้สึกเดินจงกรมให้รู้สึกที่กายนี้ก่อนเอาของหยาบๆนี้ก่อนของที่เป็นรูปธรรมนี้ก่อนอันนี้คือจะทําให้ความรู้สึกตัวของเราเนี่ยมันชัดขึ้นชัดขึ้นเมื่อมันชัดขึ้นเนี่ยมันจะไปทันกับความคิดเองโดยอัตโนมัติโดยเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราไม่ต้องไปสั่งให้เลยว่าให้ความรู้สึกตัวมันไปจัดการความคิดไม่ต้องเลย เพราะว่าอันนี้เป็ น, นกลไกธรรมชาติที่เขาจะจัดการของเขาเองหลวงพ่อเทียนชั้นชอบเปรียบเทียบเหมือนแมวกับหนูหนูเหมือนเป็นความคิดอยู่ในบ้านเราโหเต็มไปหมดเลยเหมือนเราคิดฟุ้งแมวคือความรู้สึกตัวตอนแรกๆเนี่ยแมวมตัวเล็กแมวมันเจอกับหนูที่ไรมันต้องจับหนูโดยธรรมชาติของมันสติความรู้สึกตัวเหมือนกันถ้ามันชัดมันก็จะไป ตัดความคิดได้เราไม่ต้องไปตั้งใจตัดมันทํามันเองเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือทำความรู้สึกตัวกับกายเคลื่อนไหวให้ชัดซะก่อนนี่เป็นเบื้องต้นเลยเมื่อความรู้สึกตัวที่กายชัดแล้วมันจะเข้าไปรู้มันจะเข้าไปรู้อาการต่างๆที่เกิดขึ้นปวดเมื่อยสุขทุกข์ดีใจเสียใจสบายใจอึดอัด นะวันนี้มีอยู่คนนึงบอกว่าทําแล้วมันอึดอัดมากรู้สึกจะขึ้นไสนะ่ก็เลยสังเกตว่าเขาจับเพ่งเข้าไปข้างในส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยมักจะเริ่มต้นตั้งใจเอาจริงเอาจังไปเพ่งเข้าไปข้างในมันก็อึดอัดวิธีแก้ก็คือต้องมองไปข้างนอกบ้างเป็นบางครัง้งบางคราวไม่ใช่มาเพ่งอยู่ข้างในอย่างเดียวนะตรงนีนะ้มันก็จะอึดอัดแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้นอาการต่างๆเหล่านี้ น, นะยาถือว่าเป็น เป็นการผิดพลาดอะไรเป็นบทเรียนหลวงพความเขียนชอบใช้คำคำหนึงจึงอาตมาชอบใจมากก็คือครูที่แท้จริงก็คือความผิดพลาดหรือการที่เราคลําผิดคลําถูกนั่นแหละเพราะว่าไอการผิดพลาดเนี่ยหรือบทเรียนเหล่านี้เนี่ยครูบาอาจารย์ไม่สามารถที่จะสอนได้เราต้องเอาตัวเราเข้าไปทําเองและเป็นประสบการณ์เราเองผิดถูกเรารู้ของเราแต่ถ้ามันผิดมากๆจนเราแก้ไม่ได้ มามาสอบถามมาปรึกษากับท่านนะท่านพร้อมนะโดยเฉพาะท่านอาจารย์ทรงศิลที่อยู่กับพวกเราท่านอาจารย์ต่างๆนะที่ที่อยู่กับพวกเรานะพยายามไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายนะถามไปเลยมีอะไรพยายามแต่บางทีนะเราปฏิบัติเนี่ยคำถามเนี่ยมันก็มีคําตอบออกมา นะบางทีเราอึดอัดทำไปทไปเอ๊ะมันโปร่งขึ้นมามันโล่งขึ้นมาเออแปลกดี น, ะนี่อันนี้คือจริงๆ ร, ร่างกายจิตใจของเราเนี่ยมันพยายามปรับสมดุลของมันอยู่แล้วนะนนี้ก็ให้สังเกตนะเมื่อรู้ชัดที่กายก็จะเข้าไปรู้ชัดที่เวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือว่าไม่สุขไม่ทุกขนะ์แล้วก็ไปเห็นอาการของจิตก็คือความคิดนะที่มันคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่อง อดีตบ้างคิดอนาคตบ้างคิดจะวางโครงการบ้างบางคนเนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยนะโอ้โหได้โครงการแจ๋วๆหลายโปรเจกต์เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปสนใจเลยในเจวันนี้อะไรมันจะแจ๋วทิ้งไปให้หมดเลยอย่าไปเอามาตัวของผมเนี่ยมาเองก็เจออย่างนี้บ่อยๆนะเพรา ะ, ะนั้นอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะโดยเฉพาะโครงการอะไรเจ๋งมากๆเลยทิ้งเลย กลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวนะบางค น, นจะกังวลว่าเอ๊เดี๋ยวฝึกไปเจวันแล้วกลับไปบ้านนีคิดไปเป็นเลยทําไงไม่ยังไม่ต้องไปกังวลเรื่องนั้นจากประสบการณ์เนี่ยพบว่าเมื่อเรามีความรู้สึกตัวชัดเนี่ยมันจะจัดระเบียบความคิดอันไหนเป็นความคิดที่มันไม่จำเป็นที่มันจุกจิ ก, จ ก, จกเนี่ยมันจะไม่มามีอิทธิพลกับเรา แต่พอเราคิดจะทำงานเนี่ยโอ้โหมันจะปิ๊งไปเลยนะมันจะเฉียบคมมากแล้วมันจะเป็นระเบียบแล้วมันจะใช้งานได้ดีเพราะนั้นประสิทธิภาพในการทำงานจะเกิดขึ้นอย่างอย่างเต็มที่เพราะมันไม่มีความคิดที่เป็นความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจความคิดฟุ้งซ่านเข้ามาชีวิตเราก็จะสบายขึ้นที่เรามาอยู่กันเนี่ยเราไม่ไม่รับานอาหารเย็นเราก็อยู่ได้เราไม่รู้สึกหิวเพราะอะไร เพราะเราคิดน้อยลงความคิดเนี่ยถ้าเราสังเกตวันไหนเราคิดมากเนี่ยเราหิวมากสังเกตไอ้นี่เสียพลังงานมากเมื่อวานที่เราดูไม้บอลเราจะเห็นเลยนะไอ้ความคิดเนี่ยมันมีพลังงานอย่างหนึง่งแล้วพลังงานนีมันเสียมากเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราถ้าเราสามารถที่จะรู้เท่าทันได้มันก็จะจัดระเบียบความคิดจากการที่เราเห็นอาการต่างๆของกายก็ดี ของใจก็ดีเนี่ยมันจะมีปรากฏการอาการต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งที่เราชอบหรือไม่ชอบก็ตามสิ่งต่างๆเลยเนี่มันแสดงออกมานั่นก็คือธรรมะนั่นเองเพราะนั้นสติปัฏฐานสี่เนี่ยกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาแล้วก็ธรรมานุปัสนาเนี่ยมันจะเป็นลาดับชั้นกันไปอย่างนี้เลยนะด้วยความรู้สึกตัวที่กายเบื้องต้นนี่แหละมันจะเจาะเข้าไป ทีละส่วนทีละส่วนแต่จริงๆบางทีมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มาว่าต้องมาก่อนมาหลังนะบางทีมันก็มาพร้อมๆกันแต่ความรู้สึกตัวที่กายให้ชัดไปก่อนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็ตามแต่ว่าผมเรียนธรรมมาเองฝึกมาเนี่ยก็มีความรู้สึกตัวเองว่าตัวเองเป็นคนใหม่อยู่เรื่อยไม่ใช่คนเก่าเคยประมาทนะเคยหลงตัวเองนะว่าเราเป็นคนเก่าเราฝึกมาดีแล้ว แต่พอเจอเข้อสอบก็คือการที่เราไ ป, ปเผชิญกับโลกภายนอกดีใจบางเสียใจยังมีอยู่นี่มันก็เป็นสิ่งที่ที่ที่บอกให้เรารู้ว่าเรายังยังยังยังต้องฝึกอยู่เรายังต้องปฏิบัติอยู่เราอย่าได้ประมาทเลยนี้นี่คือสิ่งที่ที่สามารถทดสอบได้เพราะฉะนั้นที่ท่านอาจารย์บอกว่าหลังจากเราที่ อยู่ใน้านจงกรมก็ดีอยู่ในการสร้างจังหวะก็ดีแล้วเราเดินไปทานข้าวอาบน้าแปลงฟันสัมผัสกับเพื่อนฝูงพวกเราเนี่ยเราสังเกตดูสิมันจะทดสอบได้เลยว่าสิ่งที่เราฝึกไปเนี่ยมันพอใช้หรือยังนะพอใช้หรือยังเราอดที่จะพูดคุยกันไม่ได้บางทีมันอดใจไม่ได้นี่นี่ก็คือสิ่งที่เราเผอไปแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยต้องเก็บทุกเม็ดเลย เพราะนั้นแต่อาจารย์ถึงบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าพูดอย่าคุยกันเลยดีที่สุดนะตรงนี้เราก็จะได้ออมสตินะเหมือนใส่กระปุกอมสินไว้นะเห็นมีบางคนนะแมฝึกอย่างดีเลยนะพอเดินลงบันไดนี่ไปคุยกันแล้วสติหายแล้วนะมันไปแล้วเพราะนั้นนอกจากการฝึกในรูปแบบแล้วเนี่ยนอกรูปแบบเราก็พึงสังวรระวังไว้นะเออ อยู่เสมอตรงนี้จะทำให้เราหลวงพ่อเทียนเคยพูดว่าถ้าเราเจริญสติแบบต่อเนื่องเหมือนลูกโซ่ก็คือทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบในชีวิตประจำวันเนี่ยท่านบอกไว้เลยว่าอย่างเร็วที่สุดตั้งแต่1วันถึงเ0วันนะอย่างกลาง1ปีอย่างนานที่สุด3ปี ความทุกข์จะลดลงแน่นอนนี่คือสิ่งที่ท่านประกาศท่า่ายไว้เพราะฉะนั้นอยากจะชวนพวกเราเนี่ยลงมาพิสูจน์ว่าจริงเปล่าแต่เสียดายหลวงพ่อไม่อยู่นะไม่งั้นพวกเราจะได้เงินเดือนที่หลวงพ่อให้ไว้เมื่อสี่สิบปีที่แล้วหนึ่งพันบาทนี่ถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็ไม่ใช่น้อยน้อยนะแต่เท่าที่เท่าที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยไม่มีใครเคยได้เงินจากหลวงพ่อหลวงพ่อเทียนเลยเพราะว่า พอไปฝึกไปปฏิบัติอยู่กับท่านจริงๆแล้วก็ทาจริงๆต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เนี่ยเห็นรู้เข้าใจความทุกข์ลดลงได้จริงๆ น, น, นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าจะจะจ ะ, จะทุกข์จะลดมากหรื อ, น, อน้อยแล้วแต่การที่เราทำถูกต้องเหมาะสมหรือไม่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้กำลังใจพวกเรานะครับในในการมา ศึกษาการเจริญสติเนี่ยมันไม่ได้สวยงามเหมือนที่เราวาดฝันไว้อะไรเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นความจริงที่มันมาแสดงให้เราดูเรามีหน้าที่ดูอย่าเข้าไปเป็นกับมันแต่พูดนะพูดง่ายนะแต่มันมันมันมันยากแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเนี่ยหลวงพ่อควาเขียนนั้นชี้ทางไว้แนละ้วท่านเขียนแผนที่ให้เราดูแล้วเพียงแต่เราจะทําให้มัน เดินไปตามทางนั้นได้หรือไม่ซึ่งก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากเย็นอะไรนะถ้าเราเจอมันบ่อยๆเราเข้าหลงก็ไปบ่อยๆเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องปล่อยเองอะ่ะนะที่เราไม่ปล่อยเพราะเราไม่เห็นเราไม่รู้เราไปแบกมันอยู่นะเหมือนตาในมันยังไม่เปิดเหมือนคนตาบอดเนี่ยนะอยู่ในโลกมืดนะนะอันเนี้ยเคยได้ยินนิทานหลวงพ่อเทียนท่านเล่าให้ฟังเหมือนกันว่ามันจะมียุคหนึ่งที่ ประมาณ 5,000 ปีนะคนจะไม่รู้จักศาสนาแล้วมันจะมืด7วัน7คืนแล้วก็คนก็จะฆ่ากันกินกันอะไรกันซึ่งอาตมาฟังแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ถึง5000ปีนะสองพันกว่าปีมันก็มีแล้วนะนะที่เราเกิดเหตุการณ์ฆ่ากันอะไรกันพ่อแม่ลูกอะไรบางทีฆ่ากันยิงกันอะไรกันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วนะ มันไม่ต้องมีถึง 5,000 ปีนะอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องสตินี่เองนะก็เลยทำอะไรไปตามสัญชาตญาณนะทำอะไรไปโดยขาดความรู้สึกตัวนั่นเองเพราะนั้นถือว่าเป็นโชคดีนะหรือเป็นโอกาสดีเป็นโอกาสพิเศษของพวกเรานะที่ได้มาร่วมกันเรียนรู้ชีวิต นะด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุดนะค ร, รับุกข์ภูมิเนมาบอกง่ายจริงๆนะเริ่มต้นเนี่ยแต่มันยากตรงที่มันอารมณ์ต่างๆมันจะเข้ามานี่แหละแล้วเราจะผ่านไปยังไงนะซึ่งตรงนี้ครูบาอาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะที่จะไปทําแทนได้เราต้องทําเองนะเพียงแต่ว่าเป็นเพื่อนเป็นกาลยาณมิตรที่แนะบอกได้ในฐานะที่เคยเดินผ่านมาแต่ สิ่งที่จะเกิดขึ้นเราต้องไปทำเองเมื่อทำเองแล้วนั่นนะเป็นประสบการณ์ของเราเป็นบทเรียนของเราเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นภายในใจของเราความศรัทธาก็จะเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่เป็นศรัทธาเพราะเชื่อแต่เป็นศรัทธาเพราะ เ, เห็นความจริงสติปัญญาก็จะเกิดตรงนั้นนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่อยากจะฝากพวกเราไว้นะระยะเวลาที่เหลืออีกไม่กี่วันเนี่ยก็ขอให้ใช้เวลานั้นอย่างคุ้มค่า นะแล้วก็มีติดขัดอะไรก็ยินดีนะที่จะเป็นเพื่อนเป็นกลัลยาณมิตรพวกเราทุกคนนะตัวกระพุทธมรรตมาเองก็ได้มีโอกาสเรียนรู้จากพวกเราด้วยนะบางทาีสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็ได้มาสอนตัวกระผุทธมรรตมาเองเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราเรียนรู้ร่วมกันนะไม่ใช่ว่าอ า, อาจารย์คนสอนบางทีพวกเราก็สอนอาจารย์บางทีก็มีเหมือนกัน น, นี้ก็ก็ฝากพวกเราไว้ก็อยากจะเชิญชวนพวกเรานะให้มาพิสูจน์ความจริงที่เจ้าชายศิษฐะค้นพบเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วแล้วก็ครูบาจารย์โดยเฉพาะหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนได้สืบต่อสารต่อวิธีการแล้วก็มาประยุกให้เหมาะสมกับยุคสมัยและก็เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากเกินไปนเพียงแต่ว่า ทุ่มแรงกายแรงใจของเราลงไปใช้ความเพียรพยายามลงไปก็เชื่อว่าความสำเร็จคงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาร่วมกันใช้ชีวิตยอยู่ที่ป่าสุกโตเพื่อเรียนรู้กายใจนะเข้าไปสัมผัสกับความเป็นปกติของใจนะที่มีอยู่ในทุกๆคน โดยทั่วหน้ากันเจริญพร